วิธีขอวุฒธธานสมมติและกรรมวาจาให้วุฒธธานสมมติสิกขานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหวข้อตลอดสองปีแล้วนั่นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์ชีวเอียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษณุณีทั้งหลายนั่งกระยงพระนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าที่ฉันชื่อนี้เป็นศิกขาณ า, าของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอด สมมุติต่อสงพึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สามเิกษณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาวา่า1นึแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าสิคมานาชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาสิขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วขอวุฒิฐานสมมติต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้ว ก็ <ader> พึงให้วุทธานสมมติแก่สิกขาบรรชื่อนี้ผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วนี่เป็นยติแม่เจ้าขอทรงจงฟังข้าพเจ้าสิก ข, ขาบรรชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วขอวุธานสมมติต่อทรงทรงให้วุทฒานสมมติแก่สิก ข, ขาบรรชื่อนี้ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วย กับการให้วุฒานสมมติแก่สิกขาบรรดาชื่อนี้ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักทว้วงวุฒานสมมติสงให้แล้วแกศ่ศิกขาบรรดาชื่อนี้ผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้